ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติศิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระจุร ป, ปันโตกว่าจุร ป, ปันโตกทราบว่าเมื่อดวงอาทิตย์อัสดงแล้วเธอยังสั่งสอนพวกภิกษุณีอยู่หรือท่านพระจุฬ ป, ปันโถกทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าจุร ป, ปันโถกขณะเมื่อดวงอาทิตย์อัสดงแล้ว